น บ, บีลูตและน บ, บีสุไอและยังได้กล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มที่หญิงผยองเช่นพวกอารสมูดกอรูนฮามานและอื่นๆพร้อมกับได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบคือความหายะและความพินาศเรื่องของบรรดาน บ, บีนั้นมีบทเรียนจากความทุกข์ยากและการทดสอบอุปมาการเสียสละยิ่งใหญ่และผลตอบแทนอันเล็กน้อยเช่นน บ, บีนวัว อลฮิสลาที่อยู่ร่วมกับกลุ่มชนของเขาเป็นเวลานา น, านถึง950ปีได้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อเขาไม่มีใครศรัทธาต่อเขานอกจากกลุ่มชนจำนวนน้อยเท่านั้นและนี่ก็อีกท่านหนึ่งบิดาแห่งบรรดาหนาบีอิบรอฮีมอัลคอลรินเขาพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนของเขาทุกวิถีทาง และได้โต้ตอบด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์แต่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากความหยิ่งผยองและความเกลียดกราดจากพวกเขาเรื่องของนบีลุธนั้นกลุ่มชนของท่านได้ต่ำช้าเลวสามปราศจากความละอายหลังจากนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของบรรดานาบีโดยสังเขปในบทนี้ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงของสาลของมุฮัมมัดส ล, ลลลอหวัลลวไหลหัวซั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 เช่นบรรดารูปปั้นที่แกสลักบรรดาเจาเวทและพระเจ้าจอมปลองมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลีฟลามมีมอัลีฟลามมี อออรมนนวุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาศรัทธาแล้วและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเทจ ي ي หรือผู้กระําความชั่วทั้งหลายคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเราได้ช่างชั่วช้าแท้ๆสิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน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 และผู้ใดต่อสู้ดิ้นรนแท้จริงเขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงพึ่งพาประชาชาิทั้งหลายวลย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 และเราอัลลอฮได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อมิดามานดาของเขาและถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งพาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสองยังฆ่าคือการกลับของพวกเจ้า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 ال هُمْ, هم และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรแบบดาผู้ศรัทธาว่าจงปฏิบัติตามแนวทางของเรา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 โดยที่พวกเขาเป็นผู้อาวุโสดังนั้นเราได้ช่วยเขาและพวกคลองในเรือให้รอดพ้นและเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชิทั้งมวลวะอิบราฮีมอิบกาลลลิกลูมี عبد اللّه و ا คّ ق و ه ذ ل ล م خ ุมอิน และจงดำลึกถึงอิบรอฮิมเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงเคารพพักดีต่อลอและจงยำเกรงต่อพระองค์เถิดนั่นแหละเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อินนัมมะเตอบุูนมินูนอัลลาฮิอัานาวนะตลก خلقون إ ف ك ا า إِنَّ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَمْلِكُونَ رِزْقَا تَعْبُدُونَ لَا لَكُمْ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاعْبُدُوهُ لَهِ وَشْكُرُوْ الرِّزْقَ ถ้าจริงพวกเจ้าเคารพบูชารูปปั้นอื่นจากอัลลอฮ์และพวกเจ้ากูความเท็จขึ้นมา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 แลบวหากพวกเจ้าปฏิเสธแน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกเจ้าก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้วหน้าที่ของาศาสนาทูตนั้นไม่ใช่อะไรอืน่นนอกจากการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเท่านั้น และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าอลัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดอย่างไรแล้วส่งให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแท้จริงนั่นเป็นการง่ายแก่อลัลลอฮ์ <S <S <an> <t une> <an> <t une> จลลงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไรแล้วอัลลอฮ์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง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 และพวกเจ้าไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและฟากฟ้าและอื่นจากอัลลอฮ์แล้วสำหรับพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครอง และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์และการพบพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาหมดหวังต่อความเมตตาของข้า และชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด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 แล้วเขาอิบราฮิมกล่าวว่าถ้าจริงพวกเจ้าได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆอื่นจากอัลลอฮ์ เพื่อเป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกเจ้าในชีวิตแห่งโลกนี้แล้วในวันขกียรมาบางคนในหมู่พวกเจ้าก็ปฏิเสธอีกบางคนและบางคนในหมู่พวกเจ้าก็จะแช่งด่าอีกบางคนและที่พำนักของพวกเจ้าก็คือฝ่ายและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย